ก็เิญพรถูกตั้งเมื่อวันอาทิตย์หลงพ่อพิ่งจะมาเทศแถวนี้นะใกลๆกันนี่ในวันอาทิตย์วันหยุดงานก็คนเยอะเลยวันนี้คนจะมาฟังก็ต้องแลกเวรบ้างแลกงานบ้างื่อคนก็หนีงานมาใครหนีงานมายกมือซิมีไหมสาธุดีไหมเนี่ย ไหนๆก็หนีงานมาแล้วนะตั้งใจฟังเอาธรรมะ ก, กลับไปจะได้เป็นพนักงานที่ดีขององค์ก ร, รมีศีลมีธรรมเป็นพลเมืองก็พลเมืองดีเป็นสามีพัญญาก็สามีพัญญาที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดี นั่นมีธรรมสะสอย่างนะสบายมีความสุขนั่นพระพุทธเจ้าท่านสั่งพระสาวกให้สาวกออกไปประกาศธรรมะงดงามในเบื้องตน้นในท่ามกลางในที่สุดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนจํานวนมากท่าสอนอย่างนั้นจะเป็นหน้าที่งั่นถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน เราได้รับประโยชน์เราได้รับความสุขประโยชน์มีมากนะประโยชน์ตั้งแต่ปัจจุบันเลยอย่างแค่เรามีสินความน่าเชื่อถือของเราก็เพิ่มขึ้นอย่างถ้าเราจะทำธุรกิจกับพวกไม่มีสินนี่ไม่ไม่น่าไว้ใจแค่มีสินก็เครดิตดีแล้วมีประโยชน์ในปัจจุบันคนอื่นเขาทุกข์กันแทบตาย เราทุกนิดหน่อยคนอื่นก็ทุกนานเราทุกสั้นๆเนี่ยเรามีชีวิตที่มีความสุขท่ามกลางความวุ่นวายได้เพราะพราะธรรมะมีประโยชน์ในอนาคตหลวง พ, พ่อเมื่อก่อนเคยเห็นครูบาอาจารย์ผู้เท่าอายุตั้งแปดสิปีเก้าสิปีร้อยปีร้อยกว่าปีก็มีแต่และองค์แต่และองค์ที่เข้าไปเห็นได้กลับได้ไหว ดท่านมีความสุขก็นึกในใจนะว่าเราต้องตามท่านให้ได้มีความสุขเหมือนท่านได้คนแก่ในโลกก็เยอะแต่ว่าดูไม่มีความสุขเงียบเหงามีชี ว, วิตว้าวมีชีวิตแบบสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็สูญเสียผู้คลองแต่อยู่คนเดียวลูกเต้าก็สูญเสียไปก็ไปอยู่ที่อื่นหมดนี่ ดูไม่มีความสุขนครูบาอาจารย์แก่เท่านะั้นดูไมีความสุขบางองค์เดินไม่ไหวเขาหามเขาประคองนอนพลิกไปพลิกมาท่านก็มีความสุขผลวงพ่ให้เห็นนะโอ้ธรรมานี้มันดีจริงเนาะทําความสุขให้ได้เยอะความสุขในอนาคตยังมีอยู่อีกความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือความสุข ของใจที่มันได้มาผลนิพพานเป็นลำดับลำดับไปโสดาสกตาคานาคาพระรหันเมื่อก่อนน่านึกนะว่ามันมีสี่ขั้นถ้าได้ขั้นที่หนึ่งก็คงล้างกิเลสยี้เมีความสุขเพิ่มขึ้น 25% เมันไม่ได้เป็นบรรยัติยางขนาดนั้นถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจ เป็นรูปนามายใจไม่ใช่เรามันได้เป็นพระโสดาบันมันมีความสุขที่แปลกแปลกนาะมันเป็นความมั่นคงมันความมั่นคงที่เกิดขึ้นในใจมันมีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าอนาคตเราต้องดีกว่านี้ในวันหนึ่งต้องพ้นทุกข์แน่นอนเพราะพุทธเจ้ารับรองไว้อย่างคนในโลกนี้ ก็กลัวความสูญเสียกลัวต้องตายกลัวตายสักอย่างเดียวนั้นก็สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีเราได้ธรรมะขั้นต้นเป็นพระโสดาบันแล้วมันไม่กลัวมันรู้ว่าอนาคตดีกว่านี้อีกเราจะต้องกลัวสูญเสียของพันนี้ทำไมใจมันจะรู้สึกห้าวหารอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมันไม่กลัวมีความมั่นคงเกิดขึ้น พวกเรายัางไม่มีธรรมะนะเราอยากได้ความมั่นคงเราก็ซื้อประกันถ้าประกันไม่เจงซะ ก, ก่อนเราตายก่อนสุดท้ายก็ไม่ได้เงินอยู่ดีพวกที่ประกันไว้นะคนอื่นได้เองไม่ได้หรอกอยากได้ความมั่นคงบางคนก็อยากมีครอบครัวเพ้ชีวิตจะได้มั่นคงอยากมีลูกจะได้มั่นคงไม่รู้หรอกว่ามันไม่มั่นคง มีลูกนะวันหนึ่งลูกมันก็ไปมีผู้คลองวันหนึ่งผู้คลองก็ไปไม่จากตายเขาจากเป็นจากตายยังไม่เจ็บใจนะจากเป็นเนี้ยเจ็บใจอยากได้ความมั่นคงแล้วรู้สึกทําไม่มั่นคงแล้วมันไม่อุปบุญใจถ้าได้ธรรมะนะมันมั่นคงมันกุปบในใจเรามันไม่หวั่นไหวแล้วว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น จะแก่จะเจ็บจะตายจะพลาดพลาดจากคนที่รักจะต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีเลยรพวกนี้ในรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาใจไม่หวัน่นไหวยิ่งได้ธรรมะสูงขึ้นสูงขึ้นอาัจจันทร์ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังตอนทำลายวัฏฏะลงไปหมบน้ำตาท่วมเลยมันมีความสุข สุขขนานนี้ก็มีด้วยเหรอในโลกนี้ธรรมะแบบนี้ก็มีด้วยเหรือเคยรู้สึกอยู่กับโลกเคยรู้สึกนะทุกปางตายตอนใจเข้าถึงทำทำลายพัตฐต์ลงไปมันสุบปางตายมันไม่ใช่ทุกปางตายเนชีวิตมันจะเปลี่ยนงานธรรมะของพระพุทธเจ้านะให้ประโยชน์ตั้งแต่ปัจจุบันให้ประโยชน์ในอนาคต ให้ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานงี่งเรารู้ว่าเป็นของดีของมีประโยชน์นะแล้วก็นขนไกวเอาธรรมะเข้ามาไว้ในใจเราให้ได้ทั้ธรรมะไม่อยู่ในตูนะ้ไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อหลวงปู่อะไรทั้งสิน้นนะเราธรรมะไว้ในใจเราให้ได้วิธีการต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ ถ้าอยากได้ของดีก็ต้องอดทนนิดหนึ่งํากรรมฐานไปถนัดอนาปนาสติก็ใช้อนาปนาสติไปจะทำให้เป็นถนัดพุดโทโธถนัดดูท้องคองยุบถนัดเคลื่อนไหวทำจังหวะถนัดเดินจงกลมหรือถนัดดูเวทนาหรือถนัดดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลอะไรก็ได้เอาสักอย่างอย่าเอาหลายอย่าง เอาหลายอย่างจิตใจฟุ้งซ่านจับจดทําอะไรก็เอาให้มันจริงจังสักอย่างหนึ่งโดยดูตัวเองเป็นหลักจริตนิสัยของเราเป็นยังไงว่ารักสุขรักสวยรักงามรักสวยรักงามรักสุขรักสบายอย่างเงี้ยพวกนี้ควรจะดู ก, กายเพรากายมันจะสอนให้เราเห็นวนะ่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามกายเนี่ยมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ดูของจริงๆเข้าไปถ้าเราเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเวลาเรามีความคิดความเห็นแต่และเรื่องแต่และเรื่องใจเราก็กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่อมลงมีคิดนึกปรุงแต่งเรื่องนี้เดี๋ยวก็สุขคิดอย่างนี้ก็ทุกคิดอย่างนี้ดีคิดอย่างนี้ร้ายยิ่งทุกวันนี้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีกันสังคมมันบีบคั้นมาก เรามีความทุกข์เกิดขึ้นบ่อยๆคิดขึ้นมาทีกะทุกข์ทีคิดขึ้นมาทีกะทุกทีสิง ท, ท, ท, ทุกสิ่งทุกอย่างต้องแย่งกันหมดเลยแย่งงานกันทำแย่งถนนกันวิ่งแย่งบ้านกันอยู่แย่งกันทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตมันเครียดมากโทสะมันเกิดบ่อยความทุกข์มันเกิดร่วมกับโทสะแล้วแต่เราเป็นคนคิดมาก คิดมากก็ทุกมากนะแล้วไม่คิดมากก็ไม่ทุกเท่าไหร่หลวงพ่ออยู่ที่วัดนะก็เห็นสัตว์นะสัตว์ป่าในวัดเนี่ยเยอะมันหนีไม่จากข้างนอกพวกนกพวกอะไรงเงี้ยมันมีชีวิตที่มันไม่คิดมากแต่หลวงพ่อไม่ได้สอนให้เราเป็นสัตว์หรอกนะเลยยกตัวอย่างให้ดูเท่านั้นเองเวลาศัตรูมาจะมาจับมันไปกินมันก็หนีเราตัวรอด ตอนหนี้อตัวรอดได้นะสัตรูไปแล้วมันก็สงบสุขของมันอย่างเดิมหายอยู่หากินไปไม่คิดมากถ้าเป็นเราเราต้องคิดใช่ไหมว่าเมื่อไหร่มันจะมาอีกเอาเนี้ยกินอะไรก็ไม่อร่อยแล้วสัตรูจะมาเมื่อไหร่ส่วนเราเป็นนกแล้ ใ, ใจมันจะกังวลล่วงหน้าทุกคนเนี่ย ว, ว่าเก่งนะคนเหนือว่าสัตว์แต่หลวงพ้าสังเกตนะสัตว์มันอยู่กับปัจจุบันมากกว่าคน คนชอบไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตใจก็กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงคิดถึงอดีตที่มีความสุขก็เสียดายคิดถึงอดีตที่มีความทุกข์ก็ขับแขนคิดถึงอนาคตก็ฝันไปถ้ารู้สึกอนาคตไม่ดีก็กังวลรู้สึกว่าอนาคตจะดีก็ฝันเฟื่องจริงไม่จริงก็เป็นอีกเรื่องนึ่งมันไม่อยู่กับปัจจุบันคิดมากปุ๊กมากกังวลมาก ถ้อยู่กับปัจจุบันนะฉลาดแต่ไม่ได้สอนให้เหมือนสัตว์นะสัตว์ไม่ฉลาดสัตว์ไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวหรอกแต่ว่ามันไม่คิดมากมันคิดไม่เป็นของเรามันคิดเป็นแล้วก็คิดให้ถูกไม่คิดไม่เป็นคิดไม่ถูกนะมันก็คิดไปอดีตคิดไปอนาคตฟุ้งซ่านไปแต่ชาพุ้ดก็ไม่ใช่ว่าไม่วางแผนการทํางานไม่วางแผนชีวิตนะเราคิดถึงอนาคตแต่ไม่คิดฝันเฟื่องคิดแบบ มีความเป็นจริงระวางแผนทำงานอะไรอย่างเนี้ยต้องทำถ้าคนไหนเป็นคนจิตมากก็ใช้กรรมฐานดูจิตเอาเห็นนะเดี๋ยวจิตก็ทุกข์ขึ้นมากลุ้มใจหงุดหงิ ด, ด, ด, เ, ดเดี๋ยวจิตก็สบายเดี๋ยวจิตก็เครียดเดี๋ยวจิตก็สบายดูมีอยู่แค่นี้ก็ไม่เห็นจะเป็นไรแค่นี้ก็พอเหลือเฟือละ mm. พวกเราใครเครียดบ่อยบ้างมีไหมยกมือให้ดูหน่อยสิ mm. ไม่คยเคลียร์นะคนมีบุญเหลือหลายหรือนั่งหลับกันแล้วพ่อถามอะไรไม่รู้เรื่องคนไหนมีความสุขทั้งวันเลยมีไหมมีความสุขทั้งวันเลยเมื่อกี้ถามว่าใครมีความทุกข์ก็ยกมือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตถามใครมีความสุขก็่วยไม่ยกเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าส่วนใหญ่อุเบกขาใจเป็นกลางอุเบกขาทั้งวัน ให้มันจริงเหรออยากคีมโมเแี่ยถ้าเราเป็นคนคิดมากนะใจเรามันก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายน่ ะ, นะโกลานใช้คําดีนะคุ้มดีคุ้มร้ายม่ดีขึ้นมากก็รู้นะมันร้ายขึ้นมากก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยทำกรรมฐานไว้ใช่อะไรายากเย็ยนนักหนาหรอกนะอย่าไปคิดมากเรื่องง่ายๆกรรมฐาน เราก็ดูตัวเองรักสุขรักสบายรักสวยรักงามแล้วก็ดูกายเป็นหลักเจ้าความคิดเจ้าความเห็นแล้วก็ดูใจของเราเป็นหลักเราก็จะเห็นเดี๋ยวใจก็ดีเดี๋ยวใจก็ร้ายแหว่งไปแหว่งมาอดูเพื่ออะไรดูเพื่อให้เห็นความจริงความจริงของร่างกายนะคือมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างเราหายใจนะหายใจออกหายใจออกสักาพาักเดี๋ยวก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้า หายใจเข้าพักเดียวก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกหรือเรานั่งอยู่นั่งอยู่ก็ทุกข์เดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นยืนต้องเดินยืนมากเดินมากนั่งมากก็ทุกข์อีกก็นอนนอนก็ทุกข์อีกนอนนานๆก็ทุกข์นะอย่างคนเป็นอนมภาภาพาสมีความทุกข์นี่เรารู้สึกอยู่ในร่างกายนะเรเห็นมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลารู้สึกไป อย่าไปคิดเรื่องว่าจะบรรลุมรรคผลอะไรนะไม่จําเป็นต้องคิดถึงเลยภาวนาดูปัจจุบันไม่หวังผลอะไรดูความจริงของกายกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกถ้าธาตุไม่ไหลไม่ไหลก็ตายไปกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายน เป็นอยู่ตลอดทุกวันเนี่ยหาดูไปนะดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ไม่ใช่เรื่องยากดูเหมือนดูคนอื่นวิธีดูกายดูยังไงดูง่ายๆนะลองหลับตาเสีหลับตารู้สึกไหมกําลังหลับตาอยู่เห็นไหมร่างกายหลับตาลองพยักหน้าซีเห็นไหมร่างกายพยักหน้านแค่รู้สึกเนาะลองยิ้มซียิ้มหวานหวานยิ้ม เห็นไหมร่างกายยิ้มเนี่ยการดูกายนะดูอย่างเนี้ยไม่ใช่ดูอะไรพิลึกพิลั่นเลยส่วนใหญ่ไปคิดถึงกรรมฐานที่ไรนะต้อจะทําอะไรแปลกๆคิดถึงกําหนดลมหายใจธรรมานุสติจะเพ่งลมหายใจนะบังคับการหายใจของตัวเองจะดูท้องพองยุบก็บังคับต้องพองอย่างนี้ต้องยกอย่างนี้จะเดินก็บังคับมีแต่เรื่องบังคับไปหมดเลย ที่ถึงการทํากรรมฐานที่ไรก็ต้องเริ่มบังคับกายบังคับใจงั้นะนักปฏิบัติเนี่ยมันจะตกไปสู่อาตาัตตะกิรมาสถานุโยกสุดตกไปข้างบังคับตัวเองตลอดเวลาทีลเราไม่ต้องบังคับมันเรายิ้มหวานหวานนะรู้สึกว่าร่างกายยิ้มนะยิ้มหวานหวานเรายกมือนะอย่าไทิ่มใครเข้ า, ขายกมือขยับแล้วรู้สึกไหมรู้สึกแค่รู้สึกรู้สึกสบายสบาย ไม่ต้องเอาละยกละอเอาลองละเรื่องมากนะเรื่องมากไปของง่ายทําให้ยากร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกรู้สึกด้วยใจสบายๆมันจะรู้สึกได้นะมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นอะไรอย่างหนึ่งหรือเป็นวัตถุ เป็นสิ so ่งที่จิตไปเห็นเข้าจิตเป็นคนไปรู้เนี่ยอย่างเราพยักหน้าเนี่ยวัตถุมันเคลื่อนไหวไะร่างกายมันเคลื่อนไหวรูปมันเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้มันก็จะรู้สึกขึ้นมาว่าร่างกายกับจิตใจมันโค่นกันเพรร่างกายกับจิตใจเป็นโค่นกันไม่ใช่อันเดียวกันจะรู้สึกขึ้นมาอีกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า เนี่ยค่อยหัดดูทุกวันทุกวันนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรให้รู้สึกก็รู้สึกไปค่อยๆฝึกนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรฝึกไปเรื่อยแล้วขันมันจะแยกมันจะเห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูต่อไปปัญญามันเกิดตรงที่เราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเรื่องเรามีสติแล้วเรารู้สภาวะสภาวธรรมคือรูปธรรมนามธรรมสติเป็นคนรู้ทัน แต่ต่อไปพอดูไปดูไปปัญญามันเกิดมันจะรู้เลยไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวก็ไม่ใช่เรานอะไอ้ตัวที่ดูก็ไม่ใช่เราจะรู้สึกอย่างนี้สุดท้ายจะพบว่าตัวเราไม่มีถ้าตัวเราไม่มีเราใครจะทุกข์รูปมันทุกข์นามมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะใครมันแก่ร่างกายมันแก่ใครมันเจ็บร่างกายมันเจ็บใครมันตายร่างกายมันตายใครพลาดพลากจากสิ่งที่รักเข้าใจไี่พลาดพลากจากสิ่งที่รัก ใครประสบสิ่งที่ไม่รักก็ใจนี่แหละเป็นคนประสบกับสิ่งที่ไม่รักร่างกายประสบสิ่งที่ไม่รักไหมร่างกายไม่มีรักมีเกลียดเนี่ยร่างกายนี่ไม่เคยเกลียดใครไม่เคยรักใครที่รักที่เกลียดอยู่ที่ใจย้อนร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายได้นะแต่ใจเนี่ยเป็นคนพลาดพลากจากสิ่งที่รักเป็นคนเจอสิ่งที่ไม่รักเป็นคนที่สมหวังผิดหวัง เนี่ยเราจะค่อยๆเรียนไปเรื่อยดูความจริงของกายของใจไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันไม่จะเห็นเลยกายกับใจมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่มีเราเสนอหน้าเข้าไปเป็นทุกข์เลยค่อยๆฝึกไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกค่อยดูหัดดูทุกวันทุกวันเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยิ้มใจเป็นคนดูนะ ค่อยๆดูไปค่อยๆรูๆ้สึกไปเห็นหลวงพ่อฉันน้าเนี่ยใจเป็นคนดูอย่างนี้ใช้ได้ไหมไม่เอาไหนเลยนี่ดูออกข้างนอกให้ดูตัวเองไปดูร่างกายคนอื่นไม่ได้ผลนะให้ดูร่างกายตัวเองเพราะเราไม่เห็นว่าคนอื่นเป็นตัวเราอยู่แล้วเราจะภาวนาเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามันมีตัวเรางี่นไปดูที่คนอื่นไม่ได้ประโยชน์อะไรพยายามดูที่ตัวเอง จนใจมันรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่ไม่ใช่ตัวเราอย่างถ้าเห็นหลวงพ่อเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วบอกว่าไม่ใช่ตัวเราเนี่ไม่ต้องไม่ต้องดูอะไรหรอกมันก็รู้สึกอยู่แล้วใช่ไหมหรือใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นหลวงพ่อบ้างมีไหมก็ <c oughs> ต้องปรึกษาจิตแพทย์นะมันผิดปกติร้ายแรงแล้วเพี้ยนมากแล้วงั้นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเรากายกับใจนี่เมื่เราภาวนาเนี่ยอย่าให้เกินกายเกินใจออกไป รู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเห็นกายมันทำงานเห็นด้วยใจที่สบายยไม่ใช่เรื่องยากอย่างเมื่อกี้เลางพ่อให้หลับตาหลับตาแล้วยกมือรู้สึกไหมมันยกมือเราไม่ได้เห็นด้วยตาแต่เรารู้ด้วยใจเรารู้ด้วยใจเห็น่ร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไปด้ว่อยๆต่อไปใจมันยอมรับื่อร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะร่างกายแก่ใจไม่หวั่นไหวเลยมันไม่ใช่เราแก่ ร่างกายเจ็บใจก็ไม่หวั่นไหวนะมันไม่ใช่เราเจ็บร่างกายตายก็ไม่หวั่นไหวมันไม่ใช่เราตายเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราจะเจอสิ่งที่ดีเจอสิ่งที่ไม่ดีสมหวังผิดหวังอะไรเป็นแค่ความรู้สึกอันนั้นเป็นแค่ความรู้สึกงั้นถ้าพวกดูกาย ก, ายก็ดูไปเห็นกายทำงานใจเป็นคนดูนี่ถ้าพวกจะดูจิตก็ดูความรู้สึกเรอแล้วจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายเนยมันไม่ใช่จิต ความโลภไม่ใช่จิตนะความโกรธไม่ใช่จิตความหลงไม่ใช่จิตความรู้สึกตัวก็ไม่ใช่จิตความเมตตาก็ไม่ใช่จิตเนี่ยค่อยๆดูไปโลบโกรธหลงคุ้งซ่านโหดขู่ไม่ใช่จิตทั้งหมดเลยเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนัจิตเป็นคนรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นความรู้สึกพวกนี้ไม่ใช่จิตนะถ้าปริัติเาเรียกเจตสิก เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่มันเกิดขึ้นมากับจิตนัต่นแหละเวลาเราโลภขึ้นมาคนที่ภาวนาไม่เป็นก็เห็นว่าเราโลภหรือโกรธก็เราโกรธถ้าภาวนาเป็นมันจะเห็นว่าความโลภกับจิตโคนละอันไม่ใช่เราโลภแล้วคราวนี้ความโกรธกับจิตก็คนละอนไม่ใช่เราโกรธแล้วากค่อยๆแยกออกแยกจิตก็ไม่ใช่ยากอะไรอย่างเมื่อกี้สอนแยกกายแล้วใช่ไหมจําได้ไหมแยกกาย เค่ไหวแล้วรู้สึกเคื่อนไหวแล้วรู้สึกไปซ้อมไปเรื่อยๆหรือหายใจเห็นร่างกายหายใจใช่เราเป็นคนรู้สึกเป็นคนดูหรวงพ่อชอบใช้คาว่ารู้สึกเอาะมันจะตรงความเข้มข้นของการรับรู้เนี่ยจะพอดีพอดีถ้าบอกให้ไปดูให้ไปเห็นนะจะจ้องเราแค่รู้สึกแค่รู้สึกเนี่ยรู้สึกในร่างกายนี่ถ้าจะรู้สึกในจิตทำไงคอยรู้เวลาความรู้สึกมันเปลี่ยน ความรู้สึกอยู่เฉยๆเนี่ยอย่าไปดูจิตถ้าอยู่ๆ阿拉ต่อไปนี้ดูจิตจ้องลงไปอย่างนี้มันจะเฉยๆไม่มีอะไรให้ดูเลยการดูจิตไม่เหมือนดูกายนะดูกายเนี้ดูเดี๋ยวนี้ได้เลยนะเพราะกายนี้ไม่เคยหายไปไหนเลยแต่ดูจิตดูใจดูความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกเกิดเร็วดับเร็วนะอยู่ๆเราจงใจไปดูไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างๆเพราะฉะนั้นการดูจิตดูใจเนี่ยเป็นการดูตามหลัง เช่นเราเห็นหน้าคนคนนี้มาใจมันโกรธนะเห็นคนนี้ทีไรโกรธทุกทีเลยก็เห็นไปก่อนโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธเห็นคนแบบนี้เรารักนะก็เห็นไปก่อนพอ เ, เห็นแล้วเกิดความรักนะให้รักไปก่อนแล้วรู้ว่ารักนะต้อแบบนั้น้อนะตามหลังไปเรืยรู้ตามหลังไม่ใช่อยู่ๆ อ, อยากจะดูจิตก็จงใจไปจ้องลงไปมันจะไม่มีอะไรให้ดู ่ดูกายกับดูจิตจะไม่เหมือนกันดูกายดูได้เลยดูเด็ดอย่างนี้เลยเพราะมันมีอยู่แล้วแต่ดูจิตดูใจน่ะต้องให้ความรู้สึกเกิดแล้วคอ่อยๆรู้เอาโกรธแล้วรู้ว่าโกรธรอบรแล้วรู้ว่ารอบหลงแล้วรู้ว่าหลงฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านหดหู่แล้วรู้ว่าหดหู่นี่ยกดูตามหลังไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นเลความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ไม่ใช่ตัวเรา เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้างั้นอย่างเวลามันโกรธขึ้นมานะไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปดับโกรธขึ้นมาก็เห็นว่ามันโกรธใจเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความโกรธับใจน่เป็นโคราอันกันใจที่เป็นคนดูกับความโกรธโคราอันกันพอมาเห็นอย่างนี้แล้วมันจะเห็นว่าความโกรธมันมาได้แล้วมันก็ไปเองมันมาเองไปเองเนี่ยเราจะดูใจเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นในความรู้สึกทั้งหลายเนี่ย มาเองไปเองอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปตรงที่อยู่ ช, ชั่วคราวแล้วหายไปเรียกว่าอนิจจงมีแล้วก็ไม่มีเนี่ยเรียกว่าอนิจจั์ตัวทุกขังหมายถึงว่าสิ่งซึ่งกําลังมีเนี่ยสิ่งซึ่งมีอยู่เนี่ยกําลังถูกบีบคั้นให้หายไปอันนี้เรียกว่าทุกขังแต่ดูจิตเนี่ยดูทุกขังยากให้ดูอนิจจงอนัตตาดูกายดูทุกขังง่ายร่างกายนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดไปละงังๆๆ้นเราดูจิตนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติอย่าไปฝืนอย่าไปห้ามมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะไม่ใช่หลับหูหลับตาหนักวันวังปิดหูปิดตาหมดเลยเคยเห็นภาพปิดตาไหมปิดปิดปิดปิดหมดเลยนะไม่ดูไม่ฟังอะไรเหลือแต่ใจอันเดียวใจก็ยังคิดได้อีกเรามีตาเราก็ดูเรามีหูเราก็ฟังนะเรามีใจเราก็คิดห้ามมันไม่ได้ไม่ห้าม แต่พอมันดูแล้วมันฟังแล้วมันคิดแล้วนะหรือมันลิ้มรสแล้วมันรู้สัมผัสทางกายแล้วหรือมันได้กลิ่นแล้วนะมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาตามหลังขึ้นมานะให้รู้ทันให้รู้ทันโดยเพาะดีชั่วเนีย่ยจะเกิดขึ้นมาอย่างเราเห็นสมมติเราเห็นพระเดินมามีคนสองคนเดินไปด้วยกัน เป็นพระเดินมาคนหนึ่งปรับรื้มใจโอ้ศาสนายังไม่สูญยังมีพระออกมาบินธบาตจิตเป็นกุศลจิตเป็นกุศลตามองเห็นจิตเป็นกุศลอีกคนนึงเห็นพระบินธบาติพระจริงหรือพระปลอมก็ไม่รู้ถึงเป็นพระจริงก็เลวไม่รู้จักทํามาหากินมาขอเขาจิตตากุศลนี่ยตามองเห็นนะแต่จิตมันไปแปลก่านะเป็นกุศลบ้างเป็นอาุศลบ้างก็แล้วแต่คน ถ้าจิตมันแปลออกมาเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลเช่นเห็นแล้วเกิดศรัทธารู้ว่ามีศรัทธาเห็นแล้วเกิดลังเลสงสัยพระจริงหรือพระปลอมหรือเห็นแล้วเกิดโทสะทําไมมาเดินเ ก, กะกะคนที่จะไปทํางานพระทําไมมาเดินแต่เช้าเกกะอ้าวพระพระต้องบินถวัตตอนเช้าอ่ะขืนพระไปบินถวัตตอนเย็นมันก็ด่าอีกแล้วเนาะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นนะ เป็นกุศลขึ้นมาให้รู้เป็นอ ก, กุศลขึ้นมาให้รู้แต่อย่าไปรอดูดูจิตนยะห้ามรอดูนะสมมติหลับตาอยู่เดี๋ยวจะลืมตาแล้วดูซิถ้าลืมหันมาทางนี้ถ้าลืมขึ้นมาแล้วเห็นคนคนหนึ่งหรือหลายคนนะใจจะรู้สึกยังไงนะเอาลืมนะคอยจ้องอยู่ว่าใจจะรู้สึกไงลืมตาดูใจจะเฉยเฉยอย่าดูจิต ด, ด้วยวิธีนี้มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดไปตามธรรมชาตินะ แต่พอม่กระทบอารมณ์แล้วเนี่ย<ม>เกิดกุศลให้รู้เกิดอกุศลให้รู้นี่เรียกว่าดูจิตนะดูจิตไม่ใช่จ้องตัวผู้รู้ถ้าจ้องตัวผู้รู้ไม่ได้เดินปัญญาอะไรหรอกการดูจิตก็คือหลักของจิตตานุปัสสนาที่ผู้เจ้าสอน<ม>ดูพระพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีราคารู้ว่ามีราคาไหมมีราคาขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่ามีราคะดูพระพิสูจทั้งหลายจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคะไม่มีราคาขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าไม่มี ดุคระพิสูจทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะมีโทสะก่อนแล้วก็รู้ว่ามีโทสะไม่เหมือนดูกายนะพิสูจทั้งหลายยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่รู้ตรงนี้เลยรู้ชัดเลยเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นั่งอยู่รู้ชัดว่านั่งอยู่เลยรู้ตรงนี้เลยไม่ใช่การตามรู้รู้ลงปัจจุบันเราถนัดดูกายให้ดูกายถนัดดูจิตให้ดูจิตนะ ถนัดดจิตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนีจิตใจเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลแฝงขึ้นแฝงลงแล้ราดูใจเป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้รู้เพื่ออะไรเมื่อคนมาบอกหลวงพ่อเมื่อวานนี้มีคนส่งกันบ้านว่าภาวนามาตั้งนานยังไม่หายกโกรธเลยพราะว่าภาวนาผิดเนอะไม่รู้ว่าหลวงพ่อสอนอะไรนะมั่วชั่วไปอ้างกับใครพ่อหนาว่าเลี้ยงกับหลวงพ่อเราไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้มันโกรธนะ เราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าโกรธจะไม่เที่ยงโกรธก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้จิตจะโกรธก็ห้ามมันไม่ได้โกรธแล้วก็อยู่ไม่นานก็เกิดแล้วก็ดับเราต้องการให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ต้องการบังคับมันให้ได้เมืางคนดูกายก็จะบังคับกายนะจะต้องไม่ให้หิวไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้กระหายน้ำอะไรอย่างเงี้ยบอกถ้าหิวข้าวไม่ใช่พระอรหันต์พูดอะไรอย่างนั้นทรงเดชเนาะไม่รู้เรื่องเลย หรือว่าถ้ายัางปวดยังเว้ย อ, อยู่ไม่ใช้ไม่ได้ไม่เกี่ยวเวทนาเป็นขันธ์ขันหนึ่งยังไงก็ต้องมีเป็นพระอรหันต์ก็มีเวทนาทางกายต้องมีนะพระอรหันต์มีเวทนาทางใจไหมมีแต่ไม่มีโทมนัตเวทนามีสมานัตเวทนามีความสุขทางใจมีอุเบกขาเวทนานะจิตพระอรหันต์มีเวทนาสองอย่างแต่ท่านไม่ได้ยึดถือนะ ต่างกับเราตรงที่ว่าของเรามีแล้วเร า, เรายึดถือแต่ไม่ใช่ไม่มีเวทนานะเมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นมีเวทนานะจําไว้นะถ้ามีจิตก็ต้องมีสัญญาก็มีจิตก็มีเวทนาถ้ามีจิตกนะต็ยังมีจิตตสังขารความปลุงดีพลุงชั่วปลุงไม่ดีไม่ชั่วนั่นเป็นธรรมชาติเราเราดูไม่ใช่เพื่อเอาชนะมันไม่ใช่ดูร่างกายก็เพื่อว่ามันปวดแล้วได้ทนได้ไม่ใช่ เราดูกายเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวทุกข์เจอทั้งใจไม่ยึดถือเรามาดูจิตดูใจก็เห็นแต่ตัวไม่เที่ยงเห็นแต่ตัวบังคับไม่ได้อย่างตั้งใจจะไม่โกรธก็โกรธตั้งใจจะไม่โลภก็โลภอย่างเงี้ยตั้งใจจะไม่รักก็รักอย่าบังคับไม่ได้เนี่ยดูเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่ดูเพื่อเอาชนะทำไมจะไม่โกรธ ทำยังไงจะไม่โกรธนะก็ต้องกระทบอารมณ์ที่พอใจอย่างเดียวอย่าไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจถ้ากระทบอารมณ์ไม่พอใจเดี๋ยวว่าโกรธจนได้เลือกได้ไหมอารมณ์ดึมตาขึ้นมาแล้วเลือกได้ไหมว่าจะเห็นรูปอะไรนะก็เลือกไม่ได้แล้วแต่วิบากนะแล้วแต่เบญจก ร, รมทํากรรมดีมานะก็เห็นของสวยของงามของดีทํอาอกุศลให้ผลมาก็เห็นของไม่สวยไม่งาม องเราขับรถไปนะรถชนกันรู้สึกว่าชนหนักคงจะมีคนตายเละเทะกลางถนนอย่างเงี้ยคนส่วนใหญจ่จะแอบดูกลัวนะแต่อยากดูใครเป็นบ้างเวลารถชนนะชํำเลือดด้วยความวาดเสียวนะดูคนมันไม่มีอาภุศลนนะรถชนกันน่าจะตายเยอะดูไปไม่เห็นศพเลยเห็นแต่รถอีกคนหนึ่งไม่อยากดูเบื่อนหน้ามาทัวนี้ เขายกศกมาฝั่งนี้แล้ววันนี้อากุศลมันจะให้ผลนะะเราเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้นะว่ากุศลเรือกุศลจะให้ผลในะเรื่องของกรรมเนี่ยกําหนดมันไม่ได้แต่ว่าเมื่อกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยโทสะมีธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นกระทบอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจนะราคะก็มีธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นห้ามไม่ได้หรอก งั้จิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะไม่ใช่ห้ามมันนะให้รู้สึกไปสบายๆดูจิตดูใจไปนะกิเลสก็มีทั้งสามตัวโลรคปวดหลงดูตัวเดียวก็พอสําหรับคนคนหนึ่งนะไม่ต้องดูทั้งหมดหรอกดูตัวเดียวก็พอคนไหนขี้โมโหเราก็ดูไปทั้งวันนี้มีแต่ใจโมโหกับใจไม่โมโหนะ คนไหนขี้โลภ ก, ก็ดูไปทั้งวันมีแต่ใจโลภ ก, กับใจไม่โลภคนไหนฟุงซ่านเก่งก็ดูไปมีแต่ฟุงซ่านกับไม่ฟุงซ่านนะดูแค่นี้เองดูคู่เดียวนะก็พอแล้วเอาให้ได้คู่หนึ่งแนละ้วตัวอื่นมันรู้เองมันจะรู้แบบเดียวกันเพราะนั้นขี้โกรธก็ดูไปเลยเอาโกรธอีกแล้ ว, กลล ว, กลลวกโกรธแล้วรู้ะหายโกรธแล้วรู้รู้สึกขี้โลภก็เอาโลภเรารู้หายโลภเรารู้ฝึกไปอย่างเนี้ย สุดท้ายวันหนึ่งปัญญามันเกิดนเนี่ยจะเห็นเนีใจมันเป็นเองมันจะโลภมันจะโกรธมันจะหลงมันจะฟุ้งซ่านมันจะโหนผูหรือมันจะดีสั่งมันไม่ได้มันเป็นเองเราสั่งมันไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับนั้นต่อไปมันก็จะรู้มากเข้ามากเข้านะมันจะรู้ว่าจิตทุกอย่างเนี่ยนะเป็นของไม่คงที่จะจิตดีหรือจะจิตเลวจะจิตสุขหรือจะจิตทุกข์ก็ไม่คงที่ จิตทั้งหลายเนี่ยบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้พอใจรู้อย่างนี้นะต่อไปใจมันจะไม่ดิ้นทุกวันนี้ใจเราดิ้นรนดิ้นรนยังไงดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหาความดีดิ้นรนหนีความทุกดิ้นรนหนีความชั่วอะไรใจก็อย่างดิ้นอยวใจดิ้นยังไงกาไม่มีความสุขคนดีแค่ดิ้นอยากจะทําความดีก็ทุกนะทุกแบบคนดีคนชั่วก็ทุกแบบคนชั่วแต่ถ้าต้องเลือกแล้วก็ดีไว้ก่อน เพราะว่าความดีมีผลเป็นความสุขที่หลังความชั่วมีผลเป็นความทุกข์ที่หลังนะงั้นยังไงก็เลือกทำกรรมดีๆไว้ก่อนแต่ถ้าเดินปัญญาก็จะรู้นะมันก็เท่านั้นแหละดีกับชัวนะ่วเมื่อก่อนที่เคยได้ยินครูบาจารย์หนรู้สึกหลวงพ่อพุทธทาสนะช่วช่วยกับดีอาปรีพอกันอันนี้พูดในเชิงปัญญานะแต่ว่าในทางจริยธรรมไม่ไม่เท่ากัน ก็ต้องทำดีไม่ทำชั่วแล้วะผลมันไม่เหมือนกันแต่ในทางการเจริญปัญญาทางวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเรือเห็นว่าชั่วเกิดแล้วก็ดับดีเกิดแล้วก็ดับมันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักเงินถ้าจะอ้างว่าหลวงพ่อประโมทสอนนะว่าชั่วกั็ดีเท่าเทียมกันต้องบอกนะว่าเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เท่าเทียมกันด้วยทางจริยธรรมคนเท่ามันก็ไม่เท่ากัน นี่เวลาที่เราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเอาดีไม่ภาวนาเอาสุขเอาสงบเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ถ้ากายนี่ก็เป็นตัวทุกมีความทุกข์บีบขั้นอยู่หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นานอ น, นพลกไปฝึกมาเนีดูความจริงของกายของใจดูง่ายๆไม่ได้ดูอะไรา ย, ยากเย็ยนนะ เมื่อคนคิดมากก็ต้องหัดเข้าฌานก่อนถึงจะดูดกายดูใจได้พูดเราเองพุทธเจ้าไม่ได้พูดแต่ว่าต้องมีสมาธิถึงจะดูกายดูใจได้เข้าฌานกับสมาธิคนละเรื่องกันสมาธิที่เราจะใช้เจริญปัญญาอาจจะไม่ถึงฌานก็ได้แล้วคนเข้าฌานฌานมีหลายแบบฌานบางชนิดไม่ทําให้เกิดปัญญาสงบอย่างเดียวเรียกว่าอารามนุกนิชฌาน สมาธิลิชาญบางอย่างนะทําให้มีปัญญาได้เล็กลักขนุปัิชานใจตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นรูปธรรมแสดงไตรักเห็นหนามธรรมแสดงไตรักนี้ปัญญาเกิดดังพวกเราพยายามนะอดทนเท่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรรู้สึกในร่างกายได้ก็รู้สึกเอารู้สึกในใจได้ก็รู้สึกเอาแล้วแต่ความถนัดแต่คนรุ่นเราเนี่ยเป็นคนคิดมากนะแล้วก็พัฒนารุนแรงอย่างเรานั่งรถมา การบินไทยที่เนี่ยผ่านมอเตอร์เวย์ผ่านอะไรมาเนะี่คัสเอาเนี่ยเต็มเลยนะข้างทางอะ่นะเกตกาเต็มไปหมดเลยล้นแต่ชวนให้เราโลภอยากได้โน่นอยากได้นี่นะนี่ประเทศนี้ก็น่าไปเที่ยวนี่ชิงชงนี้อะไรนะอะไรตอนอะไรโอ้ยนี่น่าเที่ยวจังหวัดนี้ก็น่าเที่ยวนะสินค้าตัวนี้ก็น่าซื้ออะไรเนะี่ยนั่งรถมานะมันจะยากอะไรอะ่ะ เห็นเราใจมันอยากได้รู้ว่าอยากอยากไปเที่ยวรู้ว่าอยากนะรู้ทันไปเลยเห็นป้ายสมัยก่อนเนี้ยสมัยการเมืองย่าแย่มีแต่ป้ายนักการเมืองเห็นไหมจําได้ไหมนิมถนนนั้นเต็มไปด้วยป้ายนักการเมืองกระทรวงนี้จะทํางานอย่างนี้ก็ต้องมีรูปรัฐมนตรีให้เราดูทําไมเนี่ยสิ่งเหล่าเนี้นั้นมันกระทบเข้ามาเราเลือกไม่ได้ ตอนนี้ยังดีนะมีแต่เรื่องอะไรที่ชวนชวนให้เสียสตังถ้ายุค ก, ก่อนหน้านี้ก็ชวนให้โทสะขึ้นเพราะเราเชียการเมืองข้างนี้มีป้ายของฝั่งนี้อะไรเนี้ยโทสะมันขึ้นเมื่อมันมีตามันมีรูปให้เห็นใช ม, มันกระทบกันห้ามมันไม่ได้ที่กระทบกระทบแล้วความรู้สึกจะเกิดก็เลือกไม่ได้ไม่เลือกนะก็แค่รู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับ เนี่ยหัดรู้หัดดูไปดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ถ้าดูจิตใจได้ให้ดูจิตเพราะกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตแต่ถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายไปก่อนแล้ววันหนึ่งก็จะเห็นจิตถ้าดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้สิ่งหนึงคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้ก็อย่างดีพุทโธพุทโธไปด้วยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าหรือเราชอบพระพุทธรูปสักองค์หนึ่งส่วนเราชอบพระแก้วก็นึกถึงพระแก้วแล้วก็พุทโธพุทโธไป ชอบพระชินราชก็พุโทโธพุโทโธไปคิดถึงพระชินราชอย่างเงี้ยแค่นี้ใจเกามีความสุขมีความสงบมีสมาธิขึ้นมาแล้เป็นวิธีทําสมาธินะหรือเราคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวคิดถึงสมเด็จพระเทพอะไเนี่ยจิตใจเรามีความสุกนะจิตใจเรามีความสุ ข, นะ ใ, จสขใจก็สงบนะได้สมาธิขึ้นมาง่ายง่ายหรือเราไปทาความดีมาไปบริจาคโลหิตไปทําบุญทำทานอะไรมานะเรานึกถึงน ถ้าเราได้ทำต่อเนื่องสักช่วงหนึ่งพอนึกถึงแล้วมันจะอิ่มอกหิมใจอย่างบางคนบริจาคโลหิตมาสิบครั้งอะไรอย่างี้ยี่สิบครั้งพอนึกถึงแล้วมันอิ่มใจมีความสุขนี่ก็ได้สมาธินะได้สมาธิคิดถึงทานที่เราทำแล้วหรือเรารักษาศีลเรารักษาศีลต่อเนื่องได้สักสองเดือนสามเดือนอะไรอนี้พอเราคิดถึงนะจะมีความสุข มีความสุขใจจะสงบมีสมาธิขึ้นมาเนี่ไม่ยากอะไรหรอกนีนดูจิตได้ก็ดูจิตไปเห็นจิตใจมันทำงานดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะฝึกอย่างเนี้ยแล้วตอนไหนไม่ทำบ้างมีไหมที่ไม่ต้องทำกะมาถามตอนนอนหลับตอนนอนหลับไม่ต้องทำนะต้องละเมอขึ้นมาเดินจงกรมไม่ได้ผลอะไรหรอก ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าทําำไมยออไปทั้งตัวเลยก็เดินทั้งคืนแต่หลับอยู่ไม่ได้เรื่องจิตมันไม่ตื่นตอนไหนอีกที่ไม่ต้องทำกรรมฐานตอนทํางานที่ใช้ความคิดทำกรรมฐานไม่ได้ตอนอย่างเราเขียนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมารู้มือที่เคลื่อนไหวแตะคีย์บอร์ดทำงานไม่ได้เป็นเวลาที่จะต้องให้สติสมาธิปัญญานี่จดจ่ อ, อ ง, งาน เงินเว้ให้สองเวลานะเวลานอนหลับกับเวลาทํางานที่ใช้ความคิดอันนี้ไม่ต้องปฏิบัติเวลาที่เหลือปฏิบัติไม่มีข้ออ้างนะถ้าอยากได้ของดีของพิเศษก็ต้องอดทนเอาแต่ต้องทนถูกหลักนะไม่ได้ลําบากอะไรหรอกหายใจอยู่ก็เห็นร่างกายมันหายใจอยู่ยิ้มอยู่ก็เห็นร่างกายมันยิ้มอยู่แค่นี้ก็ยังดีมีความสุขอยู่รู้ว่ามีความสุขอยู่มีความทุกข์ก็รู้ว่ามีความทุกข์อยู่ โกรธก็รู้ว่าโกรธอยู่โลบก็รู้ว่าโลภอยู่เนี่ยก็แค่นั้นเองรู้เพื่อเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วไปมาแล้วไปไปทํำมานะฟังแล้วไม่ได้ซับซ้อนอะไรง่ายๆแต่คุณค่านั้นมหาศาลไม่มีอะไรเหมือนเลยหลวงพ่อกล้ารับรองนะว่าทำกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนนะอัศจรรย์จริงๆเลยเราสามารถเปลี่ยนจิตใจของเราได้ในเวลาอันสั้น แต่เดิมเราเป็นคนดีภาวนาพัเดียวเรารู้ว่าร้ายจะตายเรารู้ความจริงแล้วนะแต่ก่อนเนี้ยโอยชั้นดีชั้นดีจริงไม่ดีอะไรเลยแต่ก่อนเนี้ยความทุกข์ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอนนี้ความทุกข์มาก็เห็นว่าก้งันๆเดี๋ยวก็ไปใจมันเปลี่ยนใจมันอิสระขึ้นใจมันสบายขึ้นค่อยๆฝึกไม่ได้ยากเลยทำอย่างที่หลวงพ่อบอกได้นะถือศีลหา้ายืนพื้นไว้ก่อน แล้วคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปขนาดใหก็ อ, อันนั้นแหละในเวลาเดือนสองเดือนสามเดือนเราจะเป็นคนใหม่เหมือนมีชีวิตใหม่เลยอันนี้ไม่ได้พูดโมเมนะหลวงพ่อไปเทศที่นู่นที่นี่เรื่อยๆเห็นบางทีนั่งรถไปก็เห็นเดินอยู่ข้างถนนรู้เลยว่าฝั่งซีดีฝั่งซีดีหลวงพ่อประโมทแน่เลยหน้าตาแบบนี้มันโงเ่เฮงมันให้ พ่อในเดินมันก็เดินรู้สึกตัวไม่ใช่เดินย่องย่องเป็นนกกระยางกินปลาอยู่เนอะจ่องเดินก็เดินธรรมดาเนี่ยแต่มันรู้สึกตัวจนะทำอะไรมันก็รู้สึกตัวนะมันไม่เหมือนคนทั่วๆไปเราหน้าตาไม่เหมือนกันคนทั่วๆไปนะหน้าตามันหมกมุ่นจมอยู่กับอารมณ์เรียนกับหลวงพ่อหน้าตามันรู้ตื่นเบิกบานนะใจมีอิสระขึ้นมาในเวลาสั้นๆอไม่นานหรอก เดี๋ยวนี้ไปเทศนะต่างจังหวัดไะนเนี่ยที่คนมาส่งเงินบ้านฟังซีดีมาเดือนหนึ่งไม่เคยเจอหลวงพ่อฟังซีดีมาเดือนหนึ่งขันแยกแล้วเนีย่ยธาตุแยกขันได้ไม่ใช่แค่รู้สึกตัวได้นะเมื่อสักสามสิปีก่อนนะไปแต่ละสำนักปฏิบัตินะสำนักหนึ่งวัดหนึ่งวั ด, ห น, วดหนึ่งนะหาคนรู้สึกตัวเป็นสักคนหนึ่งยังหายากเลยเดี๋ยวนี้เดิอนอยู่ตามถนนก็เจอยอยแยะเลยนะเยอะแยะงั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอก มันยากเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะแบบนี้เราก็จะไเปเชื่อตามๆกันนะก่อนจะภาวนานะต้องนั่งสมาธิเข้าฌานให้ได้ก่อนอนยะ่างเงี้ยเราไปเชื่อแบบนั้นนะชาตินี้คงไม่ได้ภาวนาเพราะหน้าตาแบบพวกเราเข้าฌานยากหน้าตาฟุ้งซ่านนะหน้าตาฟุ้งซ่านพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งท่านก็สอนกรรมาฐานสําหรับคนฟุ้งซ่านไว้ให้นะดูจิตดูใจไปนี่แหละหมอกับพวกฟุ้งซ่านนะ ดูไปเลยแต่ถ้าจะดูกายเนี่ยถ้าจะทำให้ได้ดีนะดีจริงๆต้องเข้าสมาธิต้องสงชานจะดูได้ดีแต่ดูจิตดูใจเนี่ยใช้ใจของคนฟุ้งซ่านอย่างนี้แหละดูไปเรื่อยๆแต่เห็นมันกับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีคำว่าคุ้มดีคุ้มร้ายไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยพวกคุมดีคุมร้ายอยู่ที่ใจเหล่านี้เองไปฝึกนะ จะได้ชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นมีประโยชน์ในปัจจุบันคือทุกน้อยลงตันตาเห็นหน้าตาก็สดใส น, นะมีคนเคยให้สัมภาษณ์ว่า น, นี่ยเขาสวยเพราะเขาฟังซีดีหลวงพ่อประโมทเนะอย่งี้ฟังซีดีแล้วสวยได้ยังไงใจมันผ่อนคลายหน้าตามันก็ดูดีสิบางคนหน้าตาสวยมาแต่กําเนิดนะแต่มันเป็นคนเครียดนะใครเข้าใกล้เขาก็าไม่อยากเข้าอึดอัดหน้าตาอย่างพวกเราเนี่ยหาสวยหางามก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะ ดูแล้วใครสวยบ้างหวานเะนีไม่ค่อยมีนะแต่ว่าบางทีเราภานาไปนะักคนเขาอยากเข้าใกล้เรานะแล้เขาเข้ามาเราเพราะอบอุ่นเขามีความสุขอย่างเงี้ย น, นั้นเราพัฒนาใจของเราไว้นะพัฒนาให้ใจมันดีได้ประโยชน์ตั้งแต่ปัจจุบันเลยประโยชน์สารพัดเลยนะการร้างการดํำรงชีวิตนะทําธุรกิจยังได้เลยเนีย่ยเราจะทําธุรกิจจะลงทุนจะอะไรเนี่นะ เราพอนา a เป็นเนี่ยมันไม่มีอคติในการมองปัญหานะถ้ามีมอคติมันประมาณการผิดพลาดง่ายเนะีนะ่ยนะค่อยๆฝึกนะประโยชน์ถัดไปก็คือประโยชน์ในอนาคตประโยชน์อย่างยิ่งก็คือได้ ม, กมดากรถนิพพานะก็คุ้มค่าแล้วที่ได้เป็นชาวพุทธนะงั้นฝึกนะไปฝึกเข้าคือศี่ห้าไว้แล้วก็รู้สึกการู้สึกใจได้่อยไปเอาละพอสมควรแก่เวลา นมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะดงปฏิบัติดยดูล่างก า, ายเคลื่อนไหวค่ะแล้วใจก็ถ้าใจหลงแล้วก็รู้ใจหงลงก็รู้เวลาติดมีปัญหาอะไรนะคะก็เปิดยูทูะค่ ะ, คะก็ส่วนใหญ่จะได้คำตอบทุกครั้งนะคะเปิดยูทูปอาจารย์นะคะแล้วก็ช่วงหลังๆปฏิบัตินี้จนเห็นทุกค่ะอะไรน ะ, ะหนนะเห็นทุกคะ่ะเห็นทุก เป็นทุกข์แล้วก็มาพิจารณาตาหูงจมูกยิ้นกายใจจะมีความรู้สึกว่ามันทุกข์มากะคะ่ะแล้วใจมันดิ้นดิ้นดิ้นมากเลยค่ะตรงที่เราเห็นทุกข์นะเรียกว่าเรารู้สภาวะล้วแต่ขณะที่รู้สภาวะเนี่ยจิตยังมีความยินร้ายอยู่จิตไม่เป็นกลางน ะ, ะดูออกไหมจิตไม่ชอบทุกข์ปัญหาของโยมเนี่ยก็คือเห็นสภาวะแล้ว ไม่ใช่ปัญหาหน้านั้นดีแต่เห็นสภาวะแล้วจิตไม่เป็นกลางกับสภาวะ <S S <Okay. S 2> นะั้นให้รู้ทันว่าจิตไม่ชอบทุกเลย <Okay. S 2> เวลาเห็นทุกเนใจมันไม่ชอบดูตัวนี้นะ <Okay. S 2> ถ้าตัวนี้ผ่านก็คือเราเห็นทุกด้วยจิตที่เป็นกลาง <Okay. S 2> ใจที่เป็นกลางนั้นจะดีมาก <Okay. S 2> แต่ที่ทําอยู่นี้ก็ดีแล้วละ่ะ <Okay. S 2> สังเกตไมหมกายกับใจมันควรละอันกัน <Okay. S 2> เห็นไหมความรู้สึกกับใจก็ควรละอนเ <Okay. S 2> นี่ยขันมันแยกนะ สมัยก่อนถ้าไม่มีเลยคนที่แยกได้เดี๋ยวนี้เยอะเลยเมื่อแยกขันได้แล้วการภาวนาจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ดูขันนั้นทำงานไปแต่ดูด้วยใจที่เป็นกลางเ<ะ>นะท่านั้นแหละ อ, อ่ะครบคุณพ่อพอดีเพิ่งจะฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณสามเดือนค่ ะ, ะก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าอยาก มากราบหลวงพ่อแล้วก็มาให้หลวงพ่อชี้แนะว่าที่ทําอยู่นี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็ทําอยู่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะถ้าใจเรามีโมโหขึ้นมานะโกรธเก่งไหมเก่งค่ะโอ้นะหน้าตาให้นลใจมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธนะเห็นไหมมันโกรธได้เองค่ะดูไปเรื่อยนะจะเห็นว่าเออมันโกรธเองมันหายเองไม่ต้องทําอะไรนะไม่ต้องแก่นะแค่เห็นว่าโกรธแล้วหายแล้วโกรธแล้วหายแล้วเนี่ยฝึกไปอย่างเนี้ คแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วแล้วก็จะปฏิบัติยังไงคะถึงจะถูกกับจริตนะคะถูกแล้วล่ะเราชี้โมโหเราช่างคิดเจ้าคิดเจ้าแขนเราดูเขาไปตรงๆเลยโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธน ะ, ะไม่ยากอะไรหรอกเป็นคนมีบุญคนที่โมโหน่ะมีบุญนะเพรา ะ, ะว่าเป็นกรรมฐานที่ดูง่ายที่สุดเลยโทสะเนี่ยในนามาทําทั้งหลายน่ะ โฆษาดูง่ายาถ้าเป็นพวกใจเฉยเฉยเยเฉ ย, เฉยอัวพวกนี้ดูยากมันเฉยทั้งปีเลยคนชมมันก็เฉยคนด่ามันก็เฉยมองเห็นอะไรมันก็เฉยเฉยไปหมดนะพวกนี้ภาวนาลำบากการนมัสการครับผมพ่อ ผมฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ประมาณสามสี่ปีแล้วครับ<ม>แล้วเพิ่งจะปฏิบัติจริงๆมาเมื่อสองปีที่แล้ว<ม>ก็คือตอนนี้คือผมอาศัยทาที่หลวงพ่อบอกครับเริ่มต้นจากไหว้พระสวดมนต์ก่อน<ม>จากนั้นก็ทั้งนามาทาในรูปแบบ<ม>โดยอาศัยลมหายใจเป็นวิหารธรร ม, มเริ่มต้นเมื่อปฏิบัติมันจะมีความสุขชวยขึ้นมาหลังจากนั้นจะมีความคิดโผลขึ้นมา จากนั้นผมก็ดูความคิดที่โผล่ขึ้นเมื่อรู้ทันปุ๊บมันจะมีความสุขโผล่ขึ้นมาอีกอจากนั้นผมก็ดูความสุขที่ผล่ขึ้นมาออืแล้วเห็นว่ากายกับใจเนี่ยมันคนละส่วนกันเอเดี๋ยวบางครั้งมันก็ดูที่ลมหายใจเดี๋ยวบางครั้งก็ดูที่ความคิดออืแล้วมันมีหลายสภาวะครับพระอาจารย์ <c oughs> มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยผมอาศัยการพิจารณาฝ่าเสียงแล้วมันเห็นเลยครับว่าเสียง ที่เราได้ยินอยู่เนี้ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขามไม่มีคนสัตว์สิ่งของอืมเมื่อมันเห็นอย่างนั้นแล้วเหมือนว่าจิตมันจะรวมลงไปครับ<ม>พระอาจารย์แต่สักพักหนึ่งมันก็มีความคิดโผล่ขึ้นมาอีก<ม>อย่างเงี้ยครับผมทําถูกไหมครับอาจารย์ถูกแล้วล่ะห้ามมันไม่ได้นะครับเราก็ไม่ได้ฝึกว่าห้ามคิดด้วยครับนะแต่ว่าเห็นใจมันคิดได้เองครับแต่เวลาที่เราทํางานที่ต้องคิดอันนะต้องตั้งใจคิดนะอบางคนมาหัดกรรมฐานแล้วถึงเวลาทํางานไม่ยอมคิดอะไรเลยเองแล้ไม่ดี ะพราจให้รู้นานทีนี่เป็นอีกปัญหาหนึ่งครับอาจารย์ผมอยากเรียนถามคือว่าตอนนี้ผมทํางานที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยครับมันไม่ยอมอยู่กับงานมันชกเว้นออกไปอย่างเงี้ยครับที่หลวงพ่อบอกก็คือเรื่องนี้แหละต้องใส่ใจลงไปสนใจลงไปอย่างนี้คือทําสมถะเลยใช่ไหมครับอาจารย์เอางานเป็นอารมณ์เลยเอางานเป็นอารมณ์สติอยู่กับงานสมาธิอยู่กับงานปัญญาอยู่กับงานที่หลวงพ่อบอกกัว่าเวลาทํางานที่ต้องคิดไม่ใช่เวลาภาวนานะ ไม่งั้นคือคอร์รัปชันเอาเวลาทำงานไปนั่งทากรรมฐานเนี่ยคอร์รัปชันนะถ้าหลงพ่อมีอะไรจะเสริมไหมครับอย่าไปเชื่อความคิดเยอะนะดูสภาวะไปสภาวะสอนธรรมะเราเองถ้าไปคิดนำไปเนี่ยจะฟุ้งในธรรมะระวังตัวนี้นะมีปรจจุตัวที่จะเจอก็คือมันจะฟุ้งในธรรมะระวัง นี่ครับมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยครับาอาจารย์นั่นแหละระวังไว้แล้วผมก็ให้มันรู้ว่าเป็นเครื่องรู้ของจิตเท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยมันไปอแล้วก็เมื่อ ไ, ไหร่ที่มีควา ม, ม, มคิดเกิดขึ้นใจมันเจ้าความคิดเจ้าความเห็นครับรู้ทันมันก็ไปเลยค ร, ครนะมันแก่จากจิตเนี่ยสมาธิไม่พอจิตมันไม่ถึงฐานถ้าจิตเคลื่อนออกจากฐานวิปัสสนูตัวนี้จะเอาเราไปกินเลยให้รู้ทันว่าจิตไหลออกไปแล้วเรู้ทันว่าจิตไหลจิตจะตั้งมั่นเข้าที่นะมันจะหายไปหมดเลย แะอยขนาดนี้มันหายไปรู้สึกไหมไม่งั้น <Okay. S 1> มันจะกระโจนไปเลยนะไประวังตัวนี้นะนวมศักดิ์ครับกรากนวมกดิ์หลวงพ่อค่ะคือ <c oughs> ตื่นเต้ น, <c oughs> ต น, ตนคือนึกเหมือนกันว่าจะส่งกันบ้านอะไรดีเพราะว่ามันเห็นสภาวะเอยอะมากเลยอะค่ะคือทำทั้งมีศาสนาคือทำทาในรูปแบบ แต่ไม่รู้ว่ามันคือวิปัสนาหรือเปล่าเออคือก็คือนั่งขัดสมาธิอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลับตา อ, อืหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงีเออ้ยมันก็เห็นความคิด อ, อืเห็นเห็นว่าเ อ, อ๊ะทำไมาอยู่ดีๆความคิดเนี่ยเอออย่างนั้นได้นะไปทําต่ออันนี้ก็คือวิปัสนาใช่ไหมก็จะเห็นมันผุดขึ้นมาได้เองผุดขึ้นมาแล้วก็หายไปผุดขึ้นมาแล้วหายไปใช่ค่ะมันเป็นเอง ถ้าดูอย่างนั้นก็ใช้ได้แล้วก็บางครั้งแบบอยู่ในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เหมือนพอเราไปเจออะไรที่เราไม่ที่ที่เราหเหมือนกระทบอารมณ์เราอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็มีความความความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะแต่บางครั้งว่าพอเราเห็นความความโกรธ อ, อย่างเงี้ยบางครั้งมันแบบเอ๊ะเราก็รู้ว่าเราโกรธอะแต่ทำไมมันถึงไม่หาย <c oughs> เลยเนะะี <c oughs> ่ยใจเราสมาธิเราไม่พอใจอย่างฟุ้งเก่งอยู่นะ แล้วพอเป็นจุดร่อนนะตอนนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็คือเราทีนี้ก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยหรือว่าเราดูไม่ตรงกับกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นคือตอนนั้นก็รู้สึกว่าโกรธโกรธโกรธรู้ว่าโกรธแล้วมันก็ไม่หายสักที<อ>ก็เลยไปดูว่าเฮ้ยมันไม่พอใจอะไรเงี้ยรู้สึกไม่ชอบอะไรเงี้ยเออถ้าจะเห็นตัวนั้นได้มันก็หายก็เลยตอนหลังๆก็เลยเวลาลืมตาแล้วอยู่ในชีวิตจําวันนะคะก็เลยเหมือนกับว่า ไม่ได้คิดแล้วว่ามันคือโกรธคือโลภคือหลงคืออะไรก็ดูแค่ว่าชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆค่อยๆคลายค่อยๆคลายอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้แต่ค่อยรู้สึกในร่างกายด้วยนะดูแต่ใจอย่างเดียวไม่พอในร่างกายไว้เนะ่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันทํางานเหมือนเห็นคนอื่นนะเอากายมาช่วยนิดนึงคือคือคือใจหนูว่าฟูงเก่งฟุ้งเก่งเนี่ยไปดูจิตอย่างเดียวเนี่ยดูไม่ไหวบางที มาช่วยเอากายมาช่วยนิดนึงดูดูกายไงคะหลวนพ่อดูเมื่อกี้เอียงเงี้ยรู้สึกเหมเนว่ยรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกอย่างเงี้ยรั้ฟังเลด้ พอคือพอฟังเพลงหรืออะไรหรือบางครั้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมร่างกายมันหัวลอกขึ้นมาเองมันยิ้มขึ้นมาเองนั่นแะั่นแหละตัวเองนะคะพอดูเสร็จแบบเฮ้ยทำไมกายมันไม่ใช่ตัวเราเลยก็รู้สึกเสียดายอีกเอนั่นแหละมันรับไม่ได้ที่รูวงพ่อว่าหนูไปดูกายนะมันเหมาะกับหนูมากเลยดูจิตเนี่ยไม่มีกําลังของสมาธิพอค่ะเหตุผลสำคัญวิจใจมันไม่ตั้งมั่นพอ ศาสตราหมัการของข้อค่ะขอะสาธงการบ้านอีกครั้งค่ะคือในชีวิตทํางานประจําวันเนี่ยค่ะมันจะเป็นลนักษณะตอนนี้ค่ะคือมันเหมือนไม่เคยไม่ค่อยเห็นจิตตั้งมั่นจะเห็นมันเบล อ, อตลอดเลยคะถ้ามันเบลอนัอกก่นคือกายร่างกายมันไม่เคยเบลอหรอกมันจะไม่เคยหรือจะไม่เคยเห็นร่างกายไม่ใช่เรา หรืหรือว่าจะไม่เคยเห็นว่าใจนี้ไม่ใช่เราหรือว่าจใจนี้ไม่ใช่เราเล ย, ยค่ะมันจะเคยเห็นอย่างแค่แบบมา ม, มาาบบีวก็นแค่นี้ยค่เห็นอันนิดจังก็พอแล้วในไตรรักษณ์แล้วนะเห็นอันเดียวก็พอไม่ต้องเห็นสามอย่างงั้แค่เห็นว่าทุกอย่างมารับไปทุกอย่างมาแล้วไปเห็นแค่นี้ก็พอแล้วแต่กลางวันเนี้ยแค่จะไม่ได้อะไรเลยค่ะช่วงช่วงช่วงทำงานตอนกลางวันนะคะ ถ้าจะไม่เห็นอะไรเลยบจิตมันไม่ตั้งมั่นอ๋มอมันต้องอยู่กับงนางนสิ<ะ>แต่อย่าถ้าทํางานที่ใช้ร่างกายนะดูได้นะอย่างบางคนทํางานขวาดถนนอะไรอย่างนี้นะรู้สึกได้หรือไปล้างรถรถต้นไม้อาบน้ําให้หมาอะไรเงี้ยรู้สึกได้ขวาดบ้านถูบ้านแต่ถ้าทํางานที่คิดเนี่ยทําไม่ได้ อยงี้หนูต้องไปทไําดูกายดูกายให้เยอะขึ้นตอนกลาวันอย่าง้ใไมคะไม่เวลาทํางานก็ทํางานนะแต่เวลาอื่นเนี่ยพอรู้สึกในกายหน่อยถ้าดูจิตแล้วมันเบลอเนี่ยดูกายไว้แล้วกลงคืนต้องนั่งสมาธิเพิ่มไหมคะกลางคืนเนหาอะไรมากระตุกระดิก็ได้นะมีพัดสกักอันขยับไปแล้วรู้สึกเอ า, าแล้วต่อไปพอเรารู้สึกกายชัดเนี่ยมันจะรู้สึกจิตชัดด้วย เช่นเรานั่งพัดอยู่เนี้ยใจเราแวบไปก็จะเห็นง่ายเอากายมาช่วยนิดนึงไม่งั้นใจมันจะถลำไปอยู่ในโลกภายในเบลเบลไปแล้วสมมติว่าหนูหนูอย่างนั้นถ้าพอกลางคืนหนูไม่ชอบเดินจงกรมไม่ชอบก็นั่งหนูชอบนั่งสมาธิมากกว่าค่ะเอานั่งแต่อย่านั่งหลับตา นั่งริมตาหาพัดไหมอันนังกระดิกไปขยับขยับไปเรื่อยๆแล้วก็ดูกายมาทำงาน ใ, ให้มันมีแรงก่อนเดี๋ยวมันถึงจะเห็นจิตคือสรุปค่อยๆว่าหนูไม่มีไม่มีไม่ค่อยมีจิตตั้งมั่นใช่ไหมใช่จิตไม่ตั้งมั่นพอกำลังสมาธิน้อยไปกับสมาธิการคืคอ ฟังซีดีหลวงพ่อมานานแล้วแล้วก็ปฏิบัติมาระยะนึงนะคะแต่รู้เหมือนเป็นคนที่ฟุ้งซ่านเก่งออดีที่เห็นนะแตอย่างนี้แสดงว่ามาได้ครึ่งหนึ่งละก็ยังครึ่งหนึ่งตรงไหนเครื่งหน่องถึงที่ฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านที่สูทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไหมได้ครึ่งหนึ่งแล้วถัดจากนั้นก็คือปฏิกิริยาของจิตต่อความฟุ้งซ่านนั้นจิตไม่ชอบ จีนไม่ชอบให้รั่วไม่ชอบนี่ได้อีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นปะัญหาก็คือเมื่อใจมันฟุ้งซ่านอย่าไปพยายามแก้ให้รั่ฟฟวฟุ้งฟุ้งเราไม่ชอบรั่วไม่ชอบนะรู้ไปสบายๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันหายฟุ้งเองมันมันหลงบ่อยด้วยอ่ะใช่เพรามันฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็หลงบ่อยสิมันรู้ตัวตอนตอนเย็นแนละ้วค่ะโอ้หลงนานไปนะห <c oughs> ลงในเช้าไปรู้เย็น คือพยายามจะนั่งสมาธิทุกเช้าอพอนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็พอเดินก็เดินไปทํา ง, งานก็จะรู้สึกเพียงรู้สึกตัวแต่สักพักนึงก็หลงไปเลยจนจนมันเป็นทางร่างกายว่าเป็นไฮเปอร์แอคทีฟเลยปะ <S <S ่ะบางคนเป็นนะเป็นจิตสมองนะยังเป็นไฮเปอร์แอคทีฟถ้าเป็นอย่างนั้นก็พยายามรู้สึกร่างกายเยอะขึ้นหน่อย <S <S <S นะแล้วอย่างนี้ควรจะนั่งสมาธิหรือว่ายังไงนั่งไม่ลงอะ่ะ มันไม่สงบง่ายๆหรอกเนื้อหาอะไรทำไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูสบายๆอย่าไปกังวลว่าจะไม่เจริญในธรรมะง่ายๆอย่างนั้นแหละเจริญเร็วเรียก<ม>แม่ฉีเนะี่ยแม่ฉีพอนาเก่งนะตอนที่หัดตานาทีแรกนะนั่งถักเชือกอะเขาเรียกอะไรนะ่ะ ที่มีไม้เรามีเหล็กอันหนึ่งเขามีนะมีไม้สองอันก็มีนะนี่แหละทาไปเรื่อยๆนะถักหมวกถวายวัดโน้นวัดนี้ไปเรื่อยๆอได้เคลื่อนไหวได้รู้สึกรู้สึกใจใจมันมันจะเป็นไฮเปอร์แอคทีฟไปนิดนึงห้ามไม่ได้อย่างนั้นว่าคุณจะทำอะไร เช้เคลื่อนไหวที่ความรู้สึกตัวมันชัดๆเราใช้ความเคลื่อนไหวในร่างกายแล้วรู้สึกให้ชัดๆหน่อยสึกรู้สึกงั้นงั้นฝากขอกันบ้านได้ไหมคะนี่ไงกันบ้านไม่ก็ชอบถักนิดนึงไม่เอาอย่างอื่นสิหลวงพ่อก็ถักไม่เป็นเหมือนกันพ่อพิมพ์พามองถักแงถถ่งเก่งนะถักเก่งกราบนมัสการหลวงพ่อครับ ผมฟังเทศของหลวงพ่อมานานก็ดีแล้วที่้านาได้ไดนนนช่องทางของการหลุดพ้นที่หลวงพ่อบอกครับผมจะปฏิบัติตลอดไปทั้งชาตินี้และชาติต่อไปครับโสาธุของผมและครอบครัวทั้งครอบครัวผมได้อุทิศร่างกาย เ, าเพื่อเป็นที่ศึกษาของสภากาชาติทั้งครอบครัวครับวันนี้ผมพาครอบครัวมากราบหลวงพ่อด้วยครับด้วยมโนานะ โยมพออนาใช้ได้แล้วขันเขินแยกโดยที่ไม่ตั้งเจตนาลนะดูมันทำงานไปมันไม่มีเราดูไปดูสบายๆไม่รีบร้อนนะไม่รีบว่าจะได้อะไรได้ไม่ได้ช่างมันไม่ถึงหลวงพ่อผมค่อยตรงกันบ้านที่หลวงพ่อที่วันหลวงพ่อบอกว่าปัญญารนะั้มหน้าอือั้นผมก็รอดแก๊ก็ดีนี่แหละ ว, วันนี้ดีแล้วพอดี ขอมโนชนะขอพร ะ, ะ, ะคุณหลวงพ่อเอรอิญซาตุอย่าให้มันล้ำหน้าไปนะถ้าล้ำหน้าไปใจไม่มีความสุขอันอาเชิญาสาธุมาสการค่ะหลวงพ่อแ น, น, น, น, น, นะนําการมาถามนะคะกรรมฐานหลวงพ่อแนะนำทุวันทุวันนะกรรมฐานก็อยู่ที่กายที่ใจเรานี่แหละจะเอากายเป็นเครื่องอยู่หรือจะเอาใจเป็นเครื่องอยู่ก็ได้ถ้าดูอะไรไม่ออกเลยนะ แค่ดูความรู้สึกสุ ข, สขทุกข์ในใจเราก็พอละเพราะมีแค่สามอย่างเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆหมุนเวียนอยู่ในใจถ้าเห็นได้ทั้งวันก็คือภาวนาะได้ทั้งวันแล้วลวนะได้ง่ายนี่แหละดูไปใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้นะไปทำไปสาธุค่ะครับกรับท่านอาจารย์ครั้งที่แล้วท่าอาจารย์เมตตาว่าให้ไปดูหลง ประมาณว่าอายุมากขึ้นแล้วน่าจะดูกายช่วยด้วยอะไรเงี้ยอะไรนะท่าอาจารย์เมตตาว่าให้ไปดูลมครับผมอายุเยอะขึ้นแล้วเงี้ยให้ดูกายช่วยด้วยก็ใช้รู้ลมกับดูกรรมเคลื่อนไหวในในระหว่างวันตัวในรูปแบบก็ตอนเช้าก็เดินจงกลมสัก20นาทีก่อนมาทำงานะระหว่างวันก็รู้ลมไปรู้กรรมเคลื่อนไหวไปเย็นก็สมนไหว้พระเสร็จก็รู้ลมไปสัก20่บนาทีนะครับ การปฏิบัติรอบนี้เนี่ยมีข้อผิดพลาดประการใดอาจารย์เมตตาแก้ไขให้ด้วยหรือว่าถูกแล้วแนะนำว่าทำอย่างไรต่อไปปกติปกติใจเหมือนตอนนี้ไ้มใจมีโมหะครอบไหมวันนี้มีฮะนะเออวันนี้มีใช้ได้นะวันนี้มีเยอะฮะระหว่างกลางวันมัมงม่วงถ้าจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะไม่มีปัญหานะปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้เนาะ ก็เป็นอยู่เรื่อยๆใ่พอเป็นเรื่อยๆนะมีเรื่อยๆนั่นต้องกระตุกกระดิกไปปัญหาหลักๆคืออะไรท่านมหามแทรกไปแั่นเคลื่อนไหวไหมบางคนพออายุเยอะขึ้นนะต้องออกกายมาช่วยไม่งั้นจะซึมไปเคลื่อนไหวทำงานอะไรก็ได้อาจจะไม่ได้เดินจงกรมนะอาจะกวาดบ้านแย่งเมียกวาดบ้านอย่างเงี้ยนะ เกินไหลไปเรื่อยๆอีกเรื่องนะท่านอาจารย์ช่วงไหนถ้าพอนานดีๆนะมันจะต้องมีเหตุทางโลกให้ให้ทุกข์หนักๆกันได้ครับอะไรนะเดี๋ยวว่าช่วงไหนถ้าพอนานดีๆนะครับมันมักจะมีเหตุเหตุทางโลกให้ให้เกิดความทุกข์ขึ้นอยู่เลยเห็นไหมว่ามันก่อขึ้นมาเนี่ยห้ามมันไม่ได้จิตมันจะต้องเตี้ยงขึ้นไปวัฏจุปปั๊บเสร็จทุกทีเลยความทุกข์ครอบงาำทุกทีเลยกว่าจะผ่านได้นะมันก็ไม่ใช่ง่ายหรอก มันไม่ปล่อยเราง่ายๆหรอกนะมันก็ต้องทดสอบเราบางทีอยู่เฉยๆก็ไม่โดนอะไรเท่าไหร่พอพอวนานนะ่โอ้ปัญหาชีวิตมาเยอะเลยนะมันทดสอบเรานะเวลาเราผ่านได้แต่ละครั้งเนี่ยเราเติบโตเราจะเติบโตขึ้นแต่ว่ามันจะเหนื่อยในการภาวนาอดทนเอาวิบากอะ่ะใครจะห้ามได้ ก็อย่างนี้ต่อไปรู้การเคลื่อนไหวต่อไปพยายามกรอดุกดิกนะอย่าให้โมหามันครอบแต่ถ้าโมหะครอบมันมีหลายวิธีนะใช้วิธีนี้ก็ได้เวลา ม, มันมัวเนี่ยใจไม่ชอบรู้ว่าใจไม่ชอบดูเข้าไปให้ถึงใจเลยถ้าใจเข้าสึงความเป็นกลางแล้วมันจะขาดสะบั้นเลยโมหะนะมันมีวิธีเยอะแยะเลยแต่ถ้าวิธีนี้ช่วยไม่ไหวก็ใช้ร่างกายช่วยรรครับอาจารย์ครับ ตอนนี้ก็หันมาปฏิบัตินะฮะทิ้งเป็นอาส น, นะครับก็รู้สภาวะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันหลังที่กับจิตเราไปรับรู้ตอนหลังที่มันเกิดขึ้นอืม <c oughs> อันนี้ใจที่ไปรู้เข้าเนี่ยเราก็ไม่ดีดีดีร้ยยยายกับมันก็คือบางครั้งที่แบบจะยินดียินร้ายกับมันบ้างแต่ว่าด้วยใจที่ดูแล้วมันเป็นปกติขึ้นครับอาจารย์จิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมตันนี้ตื่นเต้ น, นครับก็ใช้ได้ ตรงนี้ไม่ปกตินะ <Okay. S 1> ถ้ารู้ทันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกใน <Yeah. S 1> บางคนไปภาวนาแล้วไมแต่งจิตไม่แล้วคงที่อยู่องนั้นทั้งวันที่หลวงพ่อาถามคือถ้าจิตปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับอาจารย์แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็คือเราไม่ต้องคาดหวังใช่ไหมครับพระอาจารย์โอ้มันหวังไม่ได้นะ พระพุทเจ้าบอกว่าไม่มีใครสั่งจิตเนี่ยให้มันรู้มรรคผลนิพพานได้จิตเป็นของจิตเองเมื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาศิกขาเนี่ยแก่รอบนั้หน้าที่เราก็คือพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาของเราไปเรื่อยๆแล้วข้็เป็นเองและสิ่งที่เกิดดับนะครับเกิดดับเราต้องช่วยพิจารณาหรือเปล้าครับช่วยพิจารณาเนี่ยสําหรับคนซึ่งไม่ยอมดูไตรลักน รู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ยอมดูใจรักอันนั้นต้องพิจารณาแต่ถ้ามันเห็นเกิดดับแล้วไม่ต้องพิจารณานะดูของจริงที่เขาพิจารณาเพื่อให้จิตมันหัดดูใจรักถ้ามันเห็นใจรักแล้วไม่ต้องพิจารณานะเสียเวลาครับสาธุครับในพิธการหลวงพ่อนะครับผมก็ปฏิบัติมาได้หลายปีแล้วคแต่ทีนี้คือก็มีจุดที่ไม่เข้าใจอยู่จุดหนึ่งก็คือว่า คือตอนแรกผมก็ตั้งใจจะปฏิบัติคือเพื่อบรรลุมรผลนะครับก็คือว่าทีนี้จิตมันชอบตลกกลับมาเป็นพุทธภูมิทุกทีเลยครับคือหลายครั้งมากครับติดปัญหาตรงนี้แล้วก็คืออยากจะทราบแนวทางแก้ไขจากองค์ปกอไม่ต้องแก้นะเพราะว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเราจิตจะเลือกสาวกภูมิหรือเลือกพุทธภูมิไม่ใช่เราเลือกนะจิตเขาจะเลือกเองให้เราวางใจอย่างนี้ว่า หน้าที่เราเนี่ยคือทําปฏิบัติให้ดีที่สุดนะ <Okay. S 2> ส่วนเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจิตจะเลือกทางไหนก็เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรา <Okay. S 2> อย่าไปกังวลยิ่งหวังพุทธภูมิแนละ้วบางคนมันเข้าใจผิด น, นะกลัวว่าถ้าทําวิปัสสนาแล้วจะหลุดไปเลยไม่ได้ไปพุทธภูมิบอกไม่ต้องกลัวยิ่งจะไปพุทธภูมินะ้ำจ้องยิ่งพานาให้เก่งกว่าชาวบ้านเขาก็าจะไปเป็นครูเขาพาลาให้เต็มที่เลยแล้วถึงเวลาเนี่ยจิตจะเลือกของจิตเอง มไม่ต้องไปกังวลหรอกทำไปเถอะเพราะว่าจะพุทธภูมิหรือสาวกภูมิก็ทำแบบเดียวกันนี่แหละครับผมขอบคุณมากครับผมจะกล่าวคัคาถวายนะครับทุกท่านก็น้อมจิตถวายรวมถวายของกองกันนะครับข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าตรจีวร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับอาตรายจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของข้าพเจ้าปราบสิ้นกาลนานเทิญ ยถาวะริวาหะปูราปฏิภูเรนตีสาครังเอวเมวะอิโตจินังเปตาณังอุปกปติอิชิตังพติตังทุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังคปาฉันโถปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตฉันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตะวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภาวะอาภิวาธนาศีลิสนิทจังวทาปจายโนจตารโธรมาวัทันติอายุวันโน ส, สุขังพระลังหลงพ่ออนุโมทนากับกับทันนะทีมงานนิหมนมาเทศพวกเราก็มาเยอะนะไม่นึกว่าวันทำงาน ชนหนีงานมาได้เยอะขนาดนี้นะต้องให้คุ้มนะพานานะเสียชาติเกิดสู้นะ